ศาสนาเป็นทั้งเครื่องกระดับให้สวยงามทางกายวาจาใจเป็นทั้งเครื่องส่งเสริมการตรอพืชปฏิบัติหน้าที่การงานและเป็นเครื่องรักษาทรัพย์สมบัติได้ดีไม่มีอะไรที่จะเปินศาสนาพูดถึงเครื่องความดีทั้งหลายคาม สวยงามความเรียบร้อยเป็นเรื่องที่ศาสนาได้สั่งสอนไว้หมดไม่มีใครที่จะสั่งสอนได้ละเอียดและออยิ่งกว่าศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธศาสนานี่แหละเป็นสาคัญทำว่าศาสนาเป็นเครื่องประดับกายวาราใจนั้นประดับอย่างไรพุอธรมนาศาสนาเป็นสิ่งที่งาม อยู่อย่างลึกซึ้งอยู่แล้วเวลานำมาปฏิบัติมาระดับกายคือการกระทาความประพฤติทุกด้านที่มีศาสนาเป็นเครื่องพาดำเนินการตระคนึย่มไม่ผิดจากศีลจากธรรมไม่มีการกระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน ที่เกี่ยวกับมนุษย์เราเป็นคนหมู่มากหรือจะเรียกว่าสัตว์หมู่ก็ได้เนื่องจากมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้เหมือนสัตว์บางประเภทซึ่งเขาอยู่ตัวเดียวเขาก็สบา ย, บายแต่มนุษย์เราจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต้องมีหมู่มีคณะมีครอบครัวตังบ้านตังเดือนตั้ ง, งตำบลอำเภอจังหวัดมณฑลประเทศ ร่วมกันตั้งแต่เป็นกลุ่มของมนุษย์ทั้งนั้นของนับตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปย่อมมีการกระทบกระเทือนกันได้ขึ้นลิ้นกับฟันแม้จะทำงานเพื่อผลประโยชน์แก่ร่างกายาธาตุขันทั้งเราก็ตามแต่ก็ค้นที่จะกระทบกันไม่ได้บางครั้งฟันกัดลิ้นเลือดาสาดเอากม นี่ก็ขาดความระมัดระวังของเจ้าของผู้รับผิดชอบเองจะไปตำห น, นิฟันว่าไม่ดีเพราะมากัดลิ้นจะไปตำหนินลิ้นว่าไม่ดีเพราะความขนองอยู้เฉยๆไม่ได้ น, นี้ก็ไม่ถูกก็คือสติเป็นสาคัญซึ่งเป็นเจ้าของควบคุมงานของลิ้นและฟันซึ่งกำลังทํางานเพื่อตัวเองอยู่เวลานั้นถ้าสติ มีระมัดระวังแล้วทั้งสองนี้ก็ทําประโยชน์ให้แก่เจ้าของโดยสมบูรณ์ไม่มีความบกพร่องความบกพร่องคือไม่ขึ้นอยู่กับลิ้นและฟันแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้รับผิดชอบไม่มีสติสตางค์ไม่ววระวังระวังตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องทั้งเรื่องการรักษาการกระทบกระเทือนแม้แต่ลิ้นกับฟันซึ่งเป็น สมบัติของเราแท้ทั้งสองอย่างก็ยังไม่พ้นที่กระโตกระเทือนได้ถ้าขาดธรรมธรรมในสถานที่นี้หมายถึงสติธรรมหมายถึงปัญญาธรรมสติคือความระมาัดระวังคือควา ม, มระลึกรู้ระมาัดระวังอยู่เสมอนี่ก็เป็นธรรมในการพูดการจา ก, การปฏิบัติหน้าที่การงานใดที่เป็นงานเฉพาะ ก, ก็ต้องมีความรอบครอบในงานของตนว่า จะมีส่วนได้เสียอย่างไรและยิ่งงานเกี่ยวกับคนอื่นมีจำนวนมากน้อยเป็นลําดับลําดับไปด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นเหตุให้นำมา ร, ระวังการนํามา ร, ระวังด้วยศีลด้วยธรรมนี้ไม่เป็นไปเพราะความกระเทือนความไม่นำมา ร, ระวังและไม่มีศีลมีธรรมเข้าแทรกเข้าเกี่ยวข้องเลยนั้นเป็นไปเพราะความโกธรกระเทือนส่วนมากก็เป็นเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี้เป็นสิ่งที่ทําลายส่วนรวมได้มากมายก่ายกองพระพุทธเจ้าท่านพึงสอน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 วาจาที่แสดงออกแต่ละประโยคแต่ละคําที่เกี่ยวข้องกับผู้ใดการธรรมดาเราพูดคนเดียวไม่ได้นอกจากอ่านหนังสือหรือสวนมนต์ไหว้พรเราต้องพูดกับคนพูดกับเพื่อนฝูงหรือกับใครก็ตามการพูดต้องได้ระมัดระวังในคําพูดที่จะเกิดความเสีหยหายหรือก็ตัวเตือนจิตใจกันซึเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรามีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาอยู่นั่น คำพูดก็เป็นเครื่องสมักสมานและเต็มเปด้ยเหตุด้วยผลผู้ฟังย่อมได้รับความเข้าใจและทราบซึง้งทางหน้าจิตใจก็คิดแต่ในแง่ที่ดีก่อนที่จะระบายออกมาทางกายทางวาจาต้องการกรองออกมาจากใจสก่อนใจใจเป็นผู้บงการบ่งงานถ้าใจได้รับการพินิพิจารณาลึกการกรองมาด้วยดีแล้วการระบายออกก็เป็นทางที่ถูกทั้งนั้น เูตือน้องศาสนาการจับจ่ายใช้สอยทุกประเภททุกขแขนงก็จับจ่ายใช้สอยเอาไปเพื่อผลประโยชน์จริงๆไม่ใช่จ่ายเอาไปแล้วเงินก็เสียไปใจเจ้าของก็เสียไปด้วยและทำความเคยคินแจ่ิตใจจนกลายเป็นคนใจรัว่วเจ็บอะไรไม่อยู่ถ้าไม่มีทำมันร่วได้ใจคนเรา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 และเป็นเครื่องรักษาก็าคือรักษาเราไม่ให้เป็นคนทั่วเพราะศาสนาถ้าไมนสอนให้คนเป็นคนทั่วเยี่ยววือรักษาบำรุงทั้งด้านจิตใจและทรัพย์สมบัติรือรักษาจิตใจและทรัพย์สมบัติเงินทองได้เป็นอย่างดีอย่างมีเหตุมีผลศาสนาจึงเป็นความจำเป็นและคำว่าศาสนาเป็นสมบัติกลาง ม่นิยมว่าเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดใครจะถือกรรมสิทธิ์ศาสนาย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะศาสนาไม่ใช่เป็นสมบัติกรรมสิทธิ์เป็นสมบัติส่วนรวมสอนเพื่อประชาชนทั่วไปที่มีความเชื่อความรงไรและคล้ายต่อการปฏิบัติพระพุทธเจา้าทราสอนได้ทั้งสามโลกธาตมนุษย์เทวดาก า, การมกรมภพรูปภพอรูปภพ สอนได้หมดเราได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนาคือความเป็นมนุษย์เป็นซึ่งเป็นสถานกลางอย่งศาสนาอย่างยิ่งแลรู้ดีรู้ชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเยี่ยงเป็นผู้มีความคล้ายความมุ่งสายต่อศาสนาด้วยแล้วใจก็เป็นภาชนะอันเหมาะสมที่สุดกับศาสนาด้วยศาสนาอันแท้จริงนั้นดูที่ใจของพวกเราทุกคน พระพุทธเจ้าสอนคนทั้งนั้นไม่ใช่อยู่กับคนนั้นไม่ใช่อยู่กับคนนี้โดยเฉพาะหรือโดยผูกหักแต่ศาสนาเป็นสมบัติกลางผู้ใดน้อมมาประพฤติปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์จาก ต, ตนเองผู้นั้นก็มีคุณค่าผู้นั้นก็มีอัตมิธรรมภายในปิตใจได้รับผลประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติ ศาสนาจึงไม่ใช่เป็นของคนนั้นคนนี้แต่ที่โลกกลายเป็นที่ศาสนากลายเป็นโลกไปนั้นก็เพราะโลกพาให้เป็นไปผู้นับถือศาสนาเลยเอศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าตบต่อยชกตีกันด้วยวาถทคําพูดว่าศาสนาฉันดีศาสนาแกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นในศาสนาเลยเป็นเครื่องมือให้ทะเลาะวิวาทกันนี้เป็นความเห็นผิดของผู้ถือศาสนานั้นๆที่ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาตามหลักธรรมชาติหรือตามหลักความจริง แต่เป็นศาสนาใดก็ตามก็สอนคนให้ดีเราทิ้งความดีจากการปฏิบัติศาสนาเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่ต้องเอาศาสนาไปเทียบเป็นเครื่องือโอ้อวดหรืออะไรต่างๆแล้วการปฏิบัติศาสนาเราจะปฏิบัติอย่างไรจะปฏิบัติที่ไหนที่เหมาะสมที่สุดกับจุดแห่งศาสนา ที่สั่งสอนไว้แล้วก็ได้ากปฏิบัติต่อตัวของเราเองตัวของคนเรานี้ถ้าพูดถึงเรื่องความดื้อด้านความคลึกขนองความเหลวไหลความซอกแซกซึกแซกส่วนมากนในทางที่ไม่ดีไม่มีใครที่จะเกินหน้ามนุษย์เราทั้งฉลาดด้วยทำได้ทุกแง่ทุกมุม ที่จะทาทางชั่วก็ฉลาดทำแต่ทางดีแม้จะฉลาดก็ไม่อยากทำนี่เพราะฉะนั้นศา ส, สนาจึงควรแก่มนุษย์ผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาแล้วสอนตัวของเราเพราะเรามันมันไม่ดีทำไมถึงว่าไม่ดีถึงเราไม่ไปป้นบ้านปลนเดือนไปโกลักขโมยเขาก็าตามแต่มันก็มีความลื่อด้านอยู่ภายในตัวของเราเอง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 ไม่อยากทําจะนั่งภาวนาชั่วการชั่วระยะพุทโธธรรมสังโฆยังไม่ได้ถึง ส, สามลมหายใจหิบวอกแวกคอนแคนไปที่ไหนก็ไม่รู้เห็นมันก็ดือ้อมันขนองมันชอบคิดชอบปรุงในสิ่งที่ไม่เป็นท่าแต่เวลาผลที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ต้องการความคิดความปรุงของจิตที่ชอบคิดในแง่ต่างๆส่วนมากเป็นเครื่องก่อความจิตใจโดยจ้ตัวไม่รู้เพราะไม่มีคาเป็นเครื่องรสนิยมสติกับปัญญาท่านจึงสอนให้รักษาคน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 คือขาดการรักษาตนด้วยาศาสนาเราไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นคนนี้เราพูดถึงเรื่องธรรมซึ่งเป็นส่วนกลางแยกไปแต่ตัวของเราเองโดยเฉพาะออกไปสู่ครอบครัวสู่สังคมกว้างแคบไปตามลําดับตำหนาถ้ามีธรรมเป็นเครื่องปฏิบัติรักษาด้วยแล้วก็จะมีความสงบร่วงเย็นไปหมดตัวของเราเองก็ไม่เดือดร้อนว่าผู้ใดจะมาตําหนิปิดเตียนเราว่าทําไม่ถูก ระหว่างสามีภรร ย, ยาต่างคนก็ต่างมีความร่มเยืนเป็นถูกเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ไม่ประพฤติตัวออกนอกลูน่นอกทางมีความอบอุ่นสมบัติเงินทองจะมีมากมีน้อยไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าน้ำใจที่มีต่อกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันฝากเป็นฝากตายกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่เป็นหลักใหญ่ของการคลองบ้านคองเรือน สมัดเงินทองเราพอหาได้อดบ้างอิ่มบ้างก็พอเป็นไปถ้าระหว่างใจทั้งสองลงรอยกันเย็นลูกเต้าเรล่าก็เย็นอะไรก็เย็นเอาหมดหมดไปเวลาขาดขาดบ้างมีบ้างเป็นธรรมดาของโลกของโลกอ น, นิจจังเป็นของไม่เที่ยงมีสุงถมถมมีมุ่งมันดอนอย่างนี้ตลอดมาตั้งแต่การไหนๆก็เป็นเช่นนี้ไม่ว่าแต่เราคนเดียวโลกก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันก็พอคิดพออ่านพอทําให้ความร่วมเย็นได้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 แล้วเราจะหาความสุขความสบายได้อย่างไรถ้าเราเป็นเจ้าของสมบัติไม่สามารถทำปฏิบัติตัวให้รอบครอบต่อตนเองและสมบัติแล้วสมบัติก็ไม่ถ้าเกิดประโยชน์อันใดแก่ผู้มีสมบัติด้วยความเป็นเช่นนั้นของของตนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รักษาตนอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติศาสนาคือรักษาตนมีอยู่กี่คนด้วยกันก็ให้รักษาน้ําใจกันให้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วยอมรับผิดกัน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 ในเราพูดในขั้นหนึ่งแห่งธรรมที่ท่านพูดสนใจในธรรมะทั้งหลายได้พิจารณาว่าศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนศาสนาอยู่ที่ใจเป็นสำคัญใจเป็นภาชนะสาคัญที่สำหรับรับรองศาสนาท่านจึงควรปฏิบัติต่อใจของตนให้ดีนำมาเข้มงวดกวดขันต่อความประพฤติความรู้ความเห็นควาพูดคําจาอันใดผิดอันใดถูก บวกลบกันให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วปฏิบัติไปในแ น, แนวที่ถูกต้องเราก็มีความร่มเย็นวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปผ่านไปไปเปล่านั้นมีเยอะที่ไม่ให้ผ่านไปก็ควรจะให้มีคือผ่านไปจริงแต่งานของเราที่จะพึงได้รับผลประโยชน์ทั้งภาย น, นอกภายในก็อย่าให้ผ่านไปด้วยเวลาเวลานั้น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 แล้วมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจของเราและครอบครัวนั่นเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นงานสําคัญอยู่มากได้แก่กิจตะภาวนาได้แก่การประพฤติศีลประพฤติธรรมทานเราก็เคยได้ทํามาเป็นประจำนิสัยของเราตั้งแต่พ่อแม่ปูย่ย่าตายายเราพอเข้าใจศีลก็เคยได้รักษา ม, มามาบ้างพอสมควรศีลห้าคื อ, ค, อคืออะไรศีลห้า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 ได้แต่ชีวิตเพราะนั้นท่านจึงห้ามปานาไม่ทําลายสัตว์เบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนใครก็ตามคนก็ตามทําลายใครก็ตามคนหรือสัตว์ก็ตามเป็นสิ่งที่ทําลายความสําคัญของขที่ที่เป็นจุดอันสําคัญที่เขอรักข้าสงวนมากที่สุดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ได้เข้าโรงเําโรงเรียนก็ตามถึงเรื่องความรักความสงวนหรือความกลัวตายานี้กลัวด้วยกันรู้ด้วยกันสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ความกลัวก็รู้กลัวตานั่นแหละเป็นสําคัญ ไม่ต้องไปเข้าโรงเริ่มโรงเรียนสัตว์เขายังมีร่ำโรงเรียนเขาก็รู้เขาก็กลัวตายเพราะความตายเป็นสิ่งสําคัญทําไมสัตว์จะไม่รู้ความรักสงวนในชีวิตสัตว์รู้ด้วยกันทุกคนวิ่งหนีแทบลม้มแทบตายจนทนไม่ไหวถึงยอมตายก็เพราะความรู้เพราะความกลัวเพราะความรักสงวนในชีวิตนี่พระพุทธเจา้าททร ง, งเลียงเห็นเหตุอันสําคัญเหตุผลอันสําคัญอย่างนี้จริง้อง มัญญิปาณาทิบาตไม่ทำลายกันเบียดเบียนกันีน่เมื่อต่างคนต่างอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเห็นชีวิตของเขาของเราของสัตว์ของบุคคลมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าด้วยความเป็นอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำกันไม่ลงเมื่อทำกันไม่ลงก็เรียกว่าโลกนี้มีความร่มเยยนเพราะไม่ทำลายซึ่งกันและกันนั่อาทินาสมบัติของคลายคลาก็ตามมีคุณค่าสหรับของมีคุณค่าสลับผู้นั้นด้วยกันข้างหลัง แม้เข็มเล่มหนึ่งก็มีคุณค่ามีเป็นของสําคัญเราอย่าพูดจังหวดมีมากยิ่งกว่านั้นเลยเราพูดตังแต่เข็มเล่มหนึ่งขึ้นไปเป็นสิ่งที่เจ้าต้องรักต้องสงวนต้องถือว่าเป็นกรรมดิตของตนเองโดยสมบูรณ์จิตใจก็มาอยู่ที่สมบัตินั้นการทําลายสมบัติจึงเป็นการทำลายจิตใจของผู้เป็นเจ้าของสมบัติด้วยกันพระเจ้าก็เล็งเห็นถ้าเราจะให้ทานผู้ใดไปเนี่ยมากกว่านั้นเราให้ได้เพราะให้ด้วยน้ําใจ เป็นการเสียสละเป็นการใ ห, ให้กันด้วยน้ำใจรูปกันทั้งสองฝ่ายผู้ให้ก็ให้บริสุทธิ์ด้วยความบริสุทใจด้วยความผอนใจผู้รับก็รับด้วยความบริสุทใจไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรให้กันมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะให้ด้วยน้ำใจแต่การโฉกการขโมยกนณีเป็นการทำลายจิตใจนอกจากทำสมบัติของเขาให้สูญหายไปแล้วการทำลายจิตใจเป็นสิ่งใหญ่โตมากยิ่งกว่าสมบัติที่สูญหายไปเพราะการขโมยนั้นท่านเะห็นความสัาพันธอย่างนี้ท่านจริง ทรงบัญญตัตในครนี้ไว้พวกเราไม่เห็นความน้ำผ่านเพราะเราไม่เคยคิดเคยอ่านเคยตรองเพราะพระุทธเจ้าทรงทราบด้วยเหตุด้วยผลทุกสิ่งทุกประการตลอดถึงด้วยพยานของพระองค์เองด้วยนะการเมษมิฉาจานคืออะไรนะนี่ก็คือหัวใจของระหว่างสามีภรรยาซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากโลกนี้จะหนักขนาดไหนไม่ได้หนักยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยารักกันน่ะกวกั น, นอันนี้เป็นสิ่งที่หนักมากนะทำลายกิจกันด้วยวิ ทีการเ ม, มืองทาญจารย์จีนเป็นการทำลายอย่างใหญ่หลวงทีเดียวโลกแตกฆ่ากันได้เพราะเจ็บใจแช้นใจทนไม่ไหวก็ต้องออกในทางนั้นคือในการทำลายฆ่ากันไดน้ี่โลกมันแตพกพอนี้พระองค์ก็เห็นสิ่งที่รักที่สมหวนมากคืออะไรระหว่างสามีภรรยาหรือลูกเต้าเหล่ากอข้องไครใครก็รักใครก็สมหวนครไปร่วงล้าไปทำลายนี่ใครจะไม่เสียใจฆ่ากันได้อะยกตัวอยา่างใกล้ๆที่หนึ่งหลวงตาบัว มีเมียสักคนมีลูกสาวสักคนแล้วใครเรา ม, มาล่วงล้ำหลวงตาบัวเมียหลวงตาบัวห้าคนมันห้าศพยังไม่รู้จุดตัวเลยว่าได้ฆ่าคนเอามาล่วงล้ําลูกของหลวงตาบัวที่ห้าอีวันหนึ่งกี่ศพแล้วถ้าไม่อยากตายหลายหลายศพอย่าล่วงล้ําเข้ามาอย่าทะลึ่งเข้ามาทะลึ่งเข้ามาเท่าไรเป็นหมดไม่มีเหลือะเพราะเห็นไรอ้าพอเมียหลวงตาบัวบ้างหนึ่งไม่ใช่เมียของใครเมียหลวงตาบัวเนี่ยลูกหลวงตาบัว รู้ไหมว่าลูกล้มตะบัวล้มตะบัวมีความรักความร่วมมืขนาดไหนถ้าไม่อยากตายอยากอยากเข้ามานะนี่เรยกตัวอย่างนะแต่นี่ดีหล้มตะบัวไม่มีเมียได้ไม่ได้ฆ่าคนอ่านี่ข้อที่สามเราเห็นความสําคัญไหมนี่สําคัญขนาดนั้นอะไรก็าตามจิตจดจ่ออยู่กับผัวกับเมียกันเท่านั้นเป็นจุดใหญ่สําคัญระหว่างสามีภรรยาและลูกก้าของตนนี่เป็นจุดใหญ่มากการทำลาย กันอย่างนั้นจึงเป็นการทำลายกันอย่างที่ไม่มีอะไรที่จะให้อภัยกันเลยนอกจากแหลกเป็นทะเลไปเลยหรือเป็นัยไปเลยเท่านั้นแ ล, แล้วมุสาเราต้องการไหมว่าในโลกนี้พูดออกมาคำใดมีแต่โกหกกันทั้งเพย์ <c oughs> ใครพูดกับใครก็ตามผู้ใหญ่พูดกับเบ็กก็ตามเด็กพูดกับผู้ใหญ่ก็ตามระหว่างสามีภรรยาพูดต่อกันก็ตามใครใครก็ตามทั้งโลกนี้ พูดแต่คําโกหกกันทั้งนั้นหาความจริงหาสาระที่จะเชื่อถือกันไม่ได้เลยเราต้องการอะไหรือโลกอันนี้มีแต่โลกโกหกอย่างนี้กันทั้งโลกแล้วโลกนี้อยู่อยู่กันได้หรือกวา้างแสนก ว, ว้างอยู่กันไม่ได้เพราะหาความตัดความจริงต่อกันไม่ไเลยนะยลองพิจารณาสําคัญไหมคําพูดเห็นว่าไม่เห็นรู้ว่าไม่รู้ความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่พูดไปอย่างหนึ่งหาความตัดความจริงหาความไว้บังจากไม่เลยจะอยู่กันได้อย่างไรระหว่างสามีภรรยาเขาอยู่กันไม่ได้ ลูกกับพ่อกับแม่เขาอยู่กันไม่ได้ถ้าขาดศีลทำข้อนี้เสียเท่านั้นโลกนี้จะหาความจัดความจิงไม่ได้เลย<ะ>แล้วฆ่ากันแหลกเองเหมือนกันเพราะโกหกนี่ว่าไงนี่อันหน่งเราพูดย่อๆเพราะเข้าใจแล้วสุรา<ะ>เราเคยเห็นไหมคนมอสุรามันเป็นคนชนิดใด<ะ>ไม่ได้ไม่ดื่มสุราเป็นอย่างไงเป็นคนดีๆเราธรรมดานพราดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นบ้าขึ้นทันทีโดยไม่ต้องไหา ทำอะไรล่ะอืไม่มต้องไปเรียนวิชาบ้ามาเลยมันเป็นบ้าเป็นทันทีกันไปโง่ที่สุดก็คือคนเมาเหล้าแล้วอวดฉลาดที่สุดก็คือคนเมาเหล้าพูดไม่รู้จักจบก็กับคนเมาเหล้าแล้วที่นีต่างคนต่างเมาเหล้าเมาสุราด้วยกันเกลื่อนกลาดอยู่ตามถนนทั้งทา ง, งไม่ว่าเขาว่าเราเต็มไปหมดตั้งแต่คนเมาสุราเราดูได้แล้วหรือโลกว่านี้เพื่ อ, อนไปหมดตั้งแต่คนเมาะเราดูดูได้ไหม <c oughs> ท่านไม่อยากเห็นคนประเทศนั้นที่โลกนี้ทั้งโลกก็มีแต่คนมืนเมาธุลาเกลื่อนเต็มโลกหาคนที่เป็นสาระหาคนที่เป็นศีลธรรมหาคนเป็นผู้มีสติสตังซักคนไม่มีมีแต่คนเป็นบ้าพ่อพิษสุลาซะทั้งหมดแล้วโลกนี้น่าอยู่แล้วเหรอะเราไม่ต้องพูดอื่นไกลเลยแล้วพูดในครอบครัวของเราเพียงเท่านั้นลูกกี่คนก็เป็นบ้าธุลากันหมดเมา่าธุลากันเกลื่อนนอนเกลื่อนอยู่ตามหน้าบ้านหน้าเรือนหลังเรือนที่ไหน แล้วเนี่ยก็เมาผัวก็เมาเมาไปหมดจนกระทั่งเป็ดไก่เมาไปหมดดูได้ไหมสุลามันดีไหมพี่นาเรื่นี่หละเรื่องคําไม่ดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามจึงห้ามเพราะมันไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่จะมาอุตริสอนโลกสอนลุงสารว่าศีลห้าอย่างนั้นศีลแปดอย่างนี้สอนลงไปตามหลักความจริงให้เห็นเหตุเห็นผลว่าเมื่อฝ้าฝืนศีลทําลงไปแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยการสาฝืนนี่ดูดีไหมคิดแล้วพี่นาเลยมันไม่ดีเลย เมื่อเราประพฤติปฏิบัติความกงกันข้ามเหมือนที่ว่านี้เป็นผู้มีศีลแล้วโลกก็เย็นเราก็เย็นไปที่ไหนต่างคนต่างมีศีลมีธรรมไว้ใจกันได้ไม่ว่าเขาว่าเราเข้าจะเข้ากันได้หมดไม่ว่าสามีภรรยาใค ร, ใครไปพบค้าสมาคมกันไม่มีความระแวงแทงใจว่าจะเป็นอะไรต่อกันเพราะศีลธรรมเป็นรั้วกัน้นต่างคนต่างรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ของเขาของเราแล้วงานหน้านที่การงานทําไปผลประโยชน์ก็ได้ แต่เลือกคนที่ให้เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะศีลทำบังคับจะไม่เย็นดังได้ยังไงความเชื่อใจกันต่างคนต่างก็เชื่อใจกันไม่ทำในสิ่งที่ฝุ่นศีลไม่ทาโลกก็เย็นนานนี่เรียกศีล น, น, น่ะไอ้ทำที่นี่ภาวนาทำให้เราฝึกหัดบ้างการภาวนาอย่างน้อยก่อนจะหลับจะนอน ไหว้พระไม่ได้มากก็อรหังส ม, มาสวดพระพุทธสุปดิพนูย่อๆแล้วก็นั่งจับภาพเพียบหรือขัดสมาธิสมาธิทงหนาก็ได้เรากําหนดพุทโธพุทโธหรือเราจะกําหนดอนาตานติคือลมหายใจเข้าออกให้รู้มีความรู้สึกอยู่กับลมที่กําลังผ่านเข้าผ่านออกและจุดลมลมเข้ามาสัมผัสที่จุดใดมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูก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 ตราจจากความผิดปรุงซึ่งเป็นเครื่องครอบครัใดๆเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นแลท่านเรียกว่าจิตสงบและนั่นแลท่านเรียกว่าบ่อแห่งความสุขอยู่ที่ตรงนั้นความสุขเกิดขึ้นจากความสงบนัตติสันติพลังสุขขังกันสุขความสุขอื่นใดให้เสมอความสงบไม่มีความสงบนี่หมายถึงความสงบใจสงบภายในจิตใจ มีความเย็นสบายปาการฝึกหัดภาวนาอย่าให้เสียธาเสียทีเสียเวล่ำเวลาการเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตจิตใจแลวทั้งขขนร่างกายเราก็ค่อยผ่านไปร่วงโรยไปเทีเยนเล็กก็น้อยไปขาดไปวินาทีขาดไปหนึ่งนาทีขาดไปหนึ่งชั่วโมงเพราะเวลาเวลาเนี้กินอยู่ตลอดจะหลับตื่นลืมตาอะไรก็ตามการกินของเวล่ำเวลาที่เกี่ยวข้องกับ ทั้งขานหน้ากลางเหล่านี้จะไม่มีหยุด้งอไม่มีวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันโกนอะไรอ่ะกินกันไปเรื่อยเรื่อยค่อยหมดปไงไปสมมุติว่าอ่ะเรามีอายุหนึ่งร้อยปีนะขณะนี้วินาทีกินไปต่อไปนาทีกินไปชั่วโมงกินไปกินไปตั้งแต่โนโนะตั้งแต่วันปฏิธินที่วิญญาณมาโดยลาําดับแ่ะกินไม่หยุดไม่ถอยคีดไปทั้งร้อยที่มีมีประมาณร้อยปีนั้น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 ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบคุณงามความดีมีทานชินภา ว, า น, าภาวานาเป็นต้นก็ให้ได้อย่าให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาทั้งทีนีเรียกว่าเราเกิดมาถูกจุดสําคัญหนึ่งเกิดมาถูกความเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบุญไม่เป็นใบเบียดใบบาดเสียจีวิตผิดมนุษย์ญี่ปนญี่ปุต่างๆ สเราได้พบพระพุทธศาสนาและสามยังได้มีความเชื่อความนิสัยศาสนาได้พื้นตนตามหลักศาสนาอีกก็เป็นเครื่องส่งเสริมชีวิต จ, จิตใจความดีของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำํำดับหากว่าถึงการเวลาที่จะต้องล่วงไปตามกฎแห่งอนิจจังครุขังรตาแล้วเราก็ไม่เสียท่าเสียทีความดีของเราได้สร้างมาแล้วต้องบรรจุอยู่ที่ใจเป็นสมบัติอันพึงพอใจอยู่กับใจถ้าเกิดในสถานที่ที่ดีคติที่งามเสมเอิญก็ไป เพราะอำนาจแห่งความดีท่านสอนให้ประพฤติความดีไม่มีผู้ใดที่จะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้ว ม, มีผู้ใดที่จะทราบความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ทั้งกว้างแคบหยาบละเอียดลึกตึ้นขนาดไหนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนทมได้โดยถูกต้องตามจุดความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้ว ศาสนาธรรมท่านเรียกว่าส่วนขาตาธรรมแต่ว่าตรับรู้ชอบแล้วทุกอย่างเป็นธรรมะอันสมบูรณ์เป็นศาสนาที่สมบูรณ์ถ้าเป็นอาหารก็สมบูรณ์ด้วยความอร่อยอร่อยสมบูรณ์ด้วยรสด้วยชาติด้วยเครื่องปรุงต่างๆควรจากการนับทานเต็มที่ถ้าเป็นเสื้อเป็นผ้าก็เหมาะสมกับการนุ่งห่ม เป็นบ้านเป็นเดือนก็เหมาะสมได้สัตว์ได้ส่วนทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมเป็นหมดท่านจะเรียกว่าสวัสดิธรรมจับไว้ชอบแล้วเหมาะสมแล้วทุกอย่างเราก็นำธรรมนั้นเข้ามาปฏิบัติตัวเองให้เหมาะสมกับตัวของเราเราจะไม่เหมาะสมอยู่ที่ตรงไหนคือบกพร่องอยู่ที่ตรงไหนให้พยายามแก้ไขจุดนั้นๆให้เป็นความเหมาะสมขึ้นมาเดินำดบจนกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นภ า, ายในจิตใจเช่นเราพึงหัดภาวนาเบื้องต้นก็ล่มลุกคุกครานขั้นพึงหัดไปเรื่อยๆ จิตใจก็มีความเข้มแข็งมีความสงบเย็นใจขึ้นมาสติปัญญาค่อยเปิดขึ้นปรากฏขึ้นมาแก้ที่เหลือปัญหาอาสวะออกได้เป็นลำดับํๆจนกระทั่งแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่ภายในจิตใ จ, ใจท่านเรียกว่าผู้นั้นพ้นแล้วจากที่เหลื อ, อาสวะทั้งหลายเราจะเรียกว่าผ่ารหันก็ไม่มีอะไรผิดแต่อันนี้เป็นชื่อเป็นนามจะเรียกหรือไม่เรียกไม่สาคัญขอให้พ้นจากทุกประจากใจแล้วเป็นที่พอใจเท่านั้น นี่ก็ออกจากศาสนาธรรมคือเหมาะสมประเดิมหนักเหมาะสมทั้งการแก้กิเลสทุกประเภทจึงเรียกว่าสวัสดาธรรมจับไว้ชอบแล้วชอบแต่การแก้กิเลสอาสวะทั้งหลายชอบแต่การแก้ความชั่วช้าละมกทั้งหลายที่มีอยู่ภายในกายวจใจของเราจนกระทั่งหมดสิ้นจนกระทั่งเบาบางและหมดสินด้นไปโดยลหนักกิเลสทุกประเภทธรรมะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการแก้จนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยถึงแล้ซึ่งความพ้นทุกข์ เราจรึงควรปฏิบัติจะให้เสียเวลร่ำเมล่อศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี้ถ้าพูดถึงเรื่องคุณค่าไม่มีอะไรเทียบแล้วในโลกนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการพูดดีตามหลักศาสนาก็เป็นสิ่งที่เยี่ยมอยู่ภายใน จ, จิตใจใจเป็นผู้รับเพราะใจเป็นผู้ทม ใจเป็นผู้รับผลผลมากน้อยความสุขความเจริญมีมากน้อยจะรวมอยู่ที่ใจไปสู่คติใดก็ไปเถอะคนที่มีคุณงามความดีได้ประกอบกระทำไว้แล้วย่อมเป็นเพื่อนสองคนนั้นในการเดินทางท่องเที่ยวสู่พบท่า น, นนั้นๆให้มีความสุขสำราญบานใจตลอดกาลเมื่อบุญญาที่สงผานมีความเกียรกล้าสามารถฉลาดรูดเ้เต็มภูมิแล้วก็ผ่าน้นได้จากพิเรนสวะในวัฏสงสารนี้ถึงปณิพัน เป็น อ, อันว่าสิ้นทุกโดยประการทั้งปวงการแสดงธรรมระเห็นชสงควรเจอลาอีกงขอยุติดเพียงเท่านีน้